ซ d MP3 แววเสียงสวรรค์เล่มสามและเล่มสงานเขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรเสียงอ่านโดยโจโฉรวมเรื่องโลกหลังความตายหรือชีวิตของโอปปาติกก โอปปาติกะแปลว่าผู้เกิดผุดขึ้นคือผุดขึ้นเป็นตัวเป็นตนและโตเต็มที่ในทันทีโอปปาติกะคือกำเนิดหรือวิธีเกิดของสัตว์โลกอย่างหนึ่งในสี่อย่างเรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดโอปปปาติกะเป็นการเกิดที่ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่อาศัยแต่อดีตกรรมอย่างเดียวเกิดแล้วก็สมบูรณ์เต็มตัว เวลาตายก็หายวับไปไม่มีซากร่างเหลือไว้เหมือนคนหรือสัตว์โอปปาติกะได้แก่เทวดาพรหมสัตว์นรกเปรตสุรกายและมนุษย์สมัยต้นกับอยากให้ทุกท่านลองเปิดฟังอย่างพิจารณาตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มสี่นะครับ ซึ่งเล่มหนึ่งและสองจะอยู่ในซีดีรวมเสียงธรรมชุดหนึ่งดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์โจโจดันเน็ตนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าการสอนเรื่องนรกสวรรค์โอปปปาติกะในแนวของอาจารย์พรรัตนสุวรรณทำให้เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรทำให้ลักสักยะทิฏฐิในระดับต้นได้อย่างไรทำให้เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทแบบลึกซึ้งได้อย่างไรอาจารย์พร ท่านเป็นปาชทีทเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกนะครับการอธิบายการนำเสนอจึงแตกต่างไม่งมงายและได้สาระอย่างมากแต่ก็ต้องฟังอย่างพิจารณาด้วยความแยบคายด้วยนะครับเพราะหากถ้าฟังผ่า น, านๆก็อาจจะไม่ได้สัมผัสกับสาระสำคัญบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหาและกระจายอยู่ในทุกๆเล่มนะครับผีเทวดาสัตว์นรกเปรตมีจริงผู้ใดไม่เชื่อว่าผีและเทวดามีจริง เป็นมิจฉาทิฐิผู้เป็นมิจฉาทิฐิจะบรรลุธรรมไม่ได้เรื่องเหล่านี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะครับไม่ใช่เป็นปุฆาธิฐานไม่ใช่เป็นการสมมุติบุคคลขึ้นมาแต่มีตัวตนจริงๆและตัวผมเองก็เจอมาแล้วไม่ได้เพราะคิดไปเองหรือเพ้อเจ้อด้วยนะครับเพราะว่าผมเจอตั้งแต่สมัยผมยังเป็นคริสจนมาหาคาตอบได้ในทางพุทธศาสนาแต่ก็น่าแปลกคนพุทธเอง ปฏิเสธเรื่องนี้หรือเผยแพร่กันก็เผยแพร่ในแนวงมงายเวลาเชื่อก็เชื่อกันสุดลิ่มเชื่อแบบไม่มีเหตุผลแต่เวลาจะปฏิเสธก็ปฏิเสธสุดตรงทําไมเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถามว่านิพพานจะมีความหมายอะไรจะทําดีไปทําไมจะเจริญสติเพื่อตัดภพชาติไปทําไมล่ะครับอยากให้ฟังก่อนนะครับฟังให้จบแล้วค่อยวิจารณ์ แล้วค่อยคิดว่ามันไม่ดีซีดีชุด1และสองผมแจกไปเยอะมากนะครับก็มีหลายคนที่เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ใช่ทางดับทุกข์เป็นเรื่องไร้สาระก็เลยไม่ยอมฟังแต่บางคนพอเปิดใจลองเปิดฟังหลายคนเลยที่กลับมาบอกว่าพอฟังจริงๆแล้วพบว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมีคําสอนดีๆแล้วก็ทําให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น เข้าใจธรรมะมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยหนังสือชุดนี้เปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วหลายคนและธรรมะอื่นๆจะเข้าใจได้ง่ายมากหากเข้าใจหลักเหมือนที่อาจารย์พรสอนไว้นะครับโดยจะพาะคนมาใหม่สำคัญมากไม่อยากให้พลาดนะครับอย่างน้อยการฟังมากรู้มากเป็นพหูสูตรไว้ก็คงไม่ทาให้ใครเสียหายนะครับแต่น่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาในด้านอื่นๆ ที่เหมาะกับเจริตและวาสนาของเราด้วยซ้ําไปซีดีทุกชุดที่ผมอัดเสียงและผลิตเผยแพร่นะครับเพื่อแจกฟรีเท่านั้นเผยแพร่ไร้ายแจกต่อกันได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจะไม่อนุญาตก็แค่ห้ามนําไปจําหน่ายหรือค้าหากําไรยกเว้นได้สําหรับชมรมหรือวัดที่ต้องการหาทุนเพื่อไปใช้ในองค์กรโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ธรรมะ หรือเพื่อทำสาธารณประโยชน์เป็นหลักนะครับอนุญาตให้นำไปแจกฟรีแล้วเชิญชวนให้ผู้รับร่วมบุญตามศรัท ธ, ธาแล้วก็หากจะทำวิธีนี้ก็ต้องขออนุญาตก่อนด้วยเท่านั้นนะครับซีดีทุกชุดหากท่านนำไปฟังแล้วเกิดประโยชน์อยากตอบแทน ก็เพียงแค่ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมมันสวดมนต์ตักบาททำบุญปล่อยปลาทำสังฆทานดูแลพ่อแม่บุตรและคนในครอบครัวมีเมตตาต่อเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งหมาแมวในละแวกบ้านก็อย่างดีนะครับแล้วก็สามารถร่วมทำบุญถวายคุณครูบาอาจารย์โดยเลือกที่ใดที่หนึ่งเช่นมูลนิธิพรรัตนสุวรรณกองทุนรวมของวัดมหาธาตุ ถวายพัฒนาหารค่ายาค่าเลือดให้โรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญถวายในหลวงที่ส่งต่อถึงประชาชนทั้งประเทศกับมูลนิธิชัยพัฒนาทุกแห่งเป็นการทำบุญที่มีอ น, นิสง์มากนะครับอยากให้พิจารณาทำกันเป็นประจำในทุกๆเดือนจากสถิตินะครับคนไทยค่าตัวตายเฉลี่ยกว่า10บคนต่อวันอย่ารอให้ถึงคิวของคุณ หรือครอบครัวของคุณฟังธรรมะเป็นประจำจะสร้างภูมิคุ้มกันความสวยและความทุกข์ถ้าให้รู้จักทําบุญแบบถูกทางบุญแบบถูกทางเป็นที่มาของความรวยคนรักดีการงานดีสิ่งแวดล้อมดีๆวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฟังธรรมะการสวดมนต์การทําสมาธิช่วยให้คลื่นสมองสงบทําให้ฉลาดขึ้นจดจําได้มากขึ้นเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งขึ้น แล้วก็ยังทำให้สุขภาพดีผิวสวยอีกด้วยสำหรับเด็กจะทำให้กระตันยูและสอนง่ายลดความก้าวร้าวได้ด้วยนะครับหลายคนขยันเป็นคนดีแต่ทำไมยังจนยังเหนื่อยต้องเจอแต่คนเลวเจอปัญหาไม่จบสิ้นทำความดีก็เหมือนเล่นหุ้นนะครับเงินเท่ากันอาจได้กำไรต่างกัน อยู่ที่ใครจะศึกษาข้อมูลได้ละเอียดถูกต้องกว่ากันขอเพียงฟังธรรมะอย่างน้อยวันละห้านาทีแล้วคุณจะรู้ว่าทางลัด ส, สู่ความสำเร็จในทุกด้านมีอยู่จริงน่าแปลกนะครับที่เราเสียเวลาเรียนเป็น10ปีขยันแทบตายแต่แทบเอามาใช้ประโยชน์หรือดับทุกข์ในใจไม่ได้เลยแต่ธรรมะที่ช่วยได้ทุกเรื่องและสาคัญที่สุดในชีวิต กลับอ้างได้เสมอว่าไม่มีเวลาธรรมะเหมือนวิตามินนะครับที่ต้องได้รับทุกวันอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่รอให้เป็นโรคก่อนค่อยกินรอให้ทุกสาหัสก่อนค่อยฟังธรรมะถึงตอนนั้นก็อาจสายไปสภาธานังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงจเจริญในธรรมทุกท่านนะครับ